ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกหนึยหกสิหอย่างยึดถือจะชื่อว่าไม่มีโทษไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าข้อที่ว่าเรายัางยึดถืออยู่จะเป็นผู้ไม่มีโทษนั้นจะมีอยู่บ้างหรือไม่หนอในโลกอริยาสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่า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 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเข่าวฆ่าสัตว์แล้วอย่างตนให้เป็นสุขให้ชุมชื่นนี้เป็นสุขคันลิกานุโยกที่หนึ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วอย่างตนให้เป็นสุขให้ชุมชื่นนี้เป็นสุขคันริกานุโยกที่สองสบุคคลบางคนในโลกนี้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 ผีเปรตอสูรกายเทวดาพรหมสำหรับที่เกิดของพระอนาคามีคือสุทธาวาสห้า8รหพรามเกิดจากปากพรหมแน่หรือดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทะและภารัวาชะทั้งหลายพวกพรามไม่ได้นึกถึงความเก่า จึงจะกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าวันณะพรามเท่านั้นประเสริฐสุดวันณะอื่นๆเลววันณะพราหมณ์เท่านั้นเป็นวันณะขาววันณะอื่นๆดำพราหมณ์ทั้งหลายเท่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พราหมณ์ย่อมไม่บริสุทธิ์พราหมณ์ทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสของพรมเกิดจากปากพรมมีพรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้อันพรมสร้างสรรค์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 กูดเผอเจอมักได้มีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดทาเหล่าใดที่เป็นอกุศลนับเนื่องเข้าในอกุศลมีโทษนับเนื่องเข้าในสิ่งมีโทษไม่ควรสองเสพนับเนื่องเข้าในสิ่งไม่ควรสองเสพไม่ควรแก่พระอริยะนับเนื่องเข้าในสิ่งไม่ควรแก่พระอริยะเป็นธรรมดำมีวิบากดำ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 อย่างประพฤติทั้งในธรรมที่ดำและขาวที่ผู้รู้ติเตียนและสันเสริญอยู่อย่างนี้คำใดที่พวกพราหม์กล่าวอย่างนี้ว่าวันนพรามเท่านั้นประเสริฐสุดวันนอื่นๆเลววันนพราหม์เท่านั้นขาววันนอื่นๆดำพราหม์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พราหม์ย่อมไม่บริสุทธิ์พรามทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสของพรมเกิดจากปากพรม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 ในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้อความจากอคัญยสูตรหนึ่งเจ็ดสบตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าปเปเสนที่โกศลปฏิบตัติต่อพระองค์ดูก่อนผู้สืบวงแ์่งวาสิทธะและพารัตวราชทั้งหลายพระเจ้าเะเสนที่โกศลยอมส่งทราบว่า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 เรามีชาติเลวพระสมณโคดมเป็นผู้มีกำลังเราเป็นผู้ทุรพลพระสมณโคดมเป็นผู้น่าพอใจเราเป็นผู้มีผิวพันสามพระสมณโคดมเป็นผู้มีศักดหญ่เราเป็นผู้มีศักดาน้อยดังนี้เลยที่แท้ทรงสักการะธรรมะเคารพธรรมะนับถือธรรมะบูชาธรรมะ